ยาีเรื่องรุนแรงไปใช่เข้าท่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีสองคนพ่อลูก ประกอบอาชีพเป็นช่างไม้หาไรายได้จากการทำเครื่องมือเครื่องใช้โต๊ะตู้เตียงขายเลี้ยงชีพไปตามอัตภาพช่างไม้ผู้พอ่อได้ถ่ายทอดวิชาช่างให้แก่ลูกชายจนหมดสิน้นลูกชายจึงมีฝีมือทางช่างไม้ที่ยอดเยี่ยมมากแต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือช่างไม้ลูกชายคนนี้ เป็นคนใจร้อนมุดทะลุแก้ไม่หายสักทีวันหนึ่งขณะที่ช่างไม้สองพ่อลูกทำงานอยู่ด้วยกันผู้เป็นพ่อกำลังเลื่อยไม้ส่วนลูกชายกำลังตอกตะปูอยู่ไกลๆปรากฏว่ามีมแมลงวันตัวหนึ่งมาเกาะ อ, อยู่บนศีรษะอัลานเลี่ยนของช่างไม้ผู้พอ่อแก่ราคาญมากอยากจะเอามือปัดออก แต่ว่าไม่สามารถจะละมือจากการทำงานได้จึงบอกให้ลูกชายช่วยจัดการเจ้าแมลงวันให้หน่อยลูกชายขณะนั้นกำลังใช้ค้อนตอกตะปูโป๊กๆอยู่พอดีพอรู้ว่ามีแมลงวันบังอานมาเกาะหัวพ่อของตนเท่านั้นก็คิดโกรธแค้นเจ้าแมลงวันมากจึงรีบเข้าไปใช้ค้อนทุบเจ้าแมลงวันที่เกาะบนหัวพ่อสุดแรงเกิด ผลก็คือเจ้ า, มาแมลงวันตัวนั้นตายไปพร้อมกับช่างไม้ผู้เป็นพ่อที่กระโหลกแตกตายคาที่ตรงนั้นเองเรื่องนี้สอนว่าคนเราแม้ว่าจะคิดช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือสังคมแต่ถ้าใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยความโกรธเกลียดชังหรือใช้วิธีการที่รุนแรง แต่ผลกระทบข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นตามมามันอาจจะร้ายแรงจนคาดไม่ถึงก็ได้